บทที <Book> 73เจปดสิตทริได้รับอนุญาตได้เกาต์คัวดริ ต, รตคุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ Vai tu ยาวดื่มสติเบรุกเตอร์มอคุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือไว i ัวยาวดื่ t ส l ิเล o ยตัวแอลกอคุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือไว i ัวยาวดื่มสติเวียนสปัตสเบรุกตอนุญาต ได้ดรีกสเตดเราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะไวเมชเชดดรีกสตัมสเมเกตตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะไวเชดดรีกส์สเมเกตจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะไวดรีกสมักซาตอาร์เครดิตการ์ดที จ่ายเช็คได้ไหมคะ Vi d r ī k s t m a k s ā t a r č e k u จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ Vi d r ī k s t m a k s ā t t i k a i s k a i d r ā n a u d ā ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ Vi a e s d r ī k s t u p i e z v a n ī t ขอถามอะไรได้ไหมคะ Vai es u, d r ī k t s t ตุ o j a u t ตขอพูดอะไรได้ไหมคะ Vai เอส r ī k s t ตุ o เ e i k เข a านอนในสวนสาธารณะไม่ได้วินช์เนดริกสต์กุเลต์ปาร์คเข้านอนในรถไม่ได้วินช์เนดริกสต์กุเลต์มช เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้วิงชเนดริกส์ตูเลตสตัตเซียเราขอนั่งไดไหมคะไวเมสดริกสตัมอปเซสตสเราขอรายการอาหารไดไหมคะไวเมสดริกสตัมดาบูตเอเดียคาร์ติเราขอยกจ่ายไดไหมคะ Vai mēs drīkstam samaksāt atsevišķi?